พินยเยียร์ทที่แปลว่าทำ ท, ที่ควรรู้ยิ่งรู้พิเศษเป็นความรู้เป็นธรรมที่ควรรู้พิเศษเพราะใครที่รู้แล้วก็จะมีความรู้พิเศษพิเศษกว่าสามมันชนสามมันชนอยู่กับรูปกับ น, นามไม่ได้กําหนดรู้รูปนามก็ไม่ได้ความรู้พิเศษเมื่อเรามาทําความเข้าใจนามรูปกันเป็นพิเศษได้ความรู้พิเศษ ก็ถึงได้วิปัสนาวิปัสนาแปลว่าความเห็นแจ้งเห็นวิเศษนั่นแหละครับต่างไปจากชาวบ้านเขาเห็นแล้ววิเศษจริงๆเรื่องอาพีนเยยรธรรมหรืเรื่องวิปัสนาเรื่องอารมณ์วิปัสนาเนี่ยเวลาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงเนี่ยในมันมีอยู่จริงๆมีสามไหนนะฮะแต่อีกในผมหลบไว้ยังไม่พูดถึงแต่จะกล่าวให้ฟัง โดยปากนิดหน่อยในที่หนึ่งคือในแห่งปริยัติหรือในเทสนาการแสดงโดยในปริยัติเนี่ยหมายถึงมุ่งการแสดงในเชิงความสมบูรณ์เชิทางวิชาการในเรื่องนี้ในเรื่องอารมณ์กรรมฐานหรือพูดง่ายๆว่าถ้าเทียบเทียบเหมอนก็หนังสือก็เป็นห้องสมุดของหนังสือวิปัสสนาวางเป็นตัดเป็นแผนก ใครสนใจเรื่องไหนก็มาหยิบเล่มนั้นไปเหมาะจะอ่านเล่มไหนบางทีวิชาเดียวกันในเล่มตำราเลยอ่านไม่ได้ก็ต้องมาอ่านไอ้เล่มเล็กๆ ก, ก่อนนะฮะก็แล้วแต่เงื่อนไขแต่ละคนนะแต่ว่าโดยทฤษฎีต้องแสดงไว้เต็มโดยในโดยในเทศนาเนี่ยนะฮะเะนั้นการแสดงทางมุขเจ้าในแง่นี้จะบอกว่าแสดงตามอ่าเป็นธรรมานุโลมแสดงอนุโลมตามข้อเท็จจริงของสภาวะธรรมเกี่ยวกับเรื่องนั้น ไม่ใช่อ่าอนุโลมตามบุคคลอนุโลมตามอธัธยาศัยของบุคคลอาการแสดงโดยนายเจสนาเนี่ยก็มอีอันหนึ่งคือโดยประเภทโดยธรรมะประเภทคือพูดง่ายว่าอารมณ์ของวิปัสสนาที่เราบอกว่านา้ำกระลูปน้ำกระลูกเนี่ยหรือพูดอย่างสั้นๆว่าทุกๆอย่างในพระไตรปิฎกเนี่ย น, นะอย่างภาษาเราเราบ้าจะบอกว่าน้ำกรูป ในภาษาพุทธเจ้าผู้หยัสร้างก็บอกว่าทุกทุกเนี่ยหมายถึงพูดด้วยอำนาจกล่าวถึงนามรูปโดยทัศนะคติของผู้อย่างเห็นลึกบุคคลควรอย่างเห็นลงไปเลยว่านามรูปคือสิ่งไม่ใช่ของดีเป็นวัตทุกท่านก็จะตัดวัตทุกไปเลยก็หมายถึงนามรูปและส้ตัดออกมาเป็นประเภทธรรมก็เป็นขันห้าอายตนาสิบสองธาตุสิบแปดโลกธรรมแปดอะไรอะไรอีกเยอะครับ เยอะมากมายที่อยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยเราเมื่อก่อนเราเกิดจะไม่ได้คิดว่านี่คือนังสือวิปัสสนานี่คืออารมณ์วิปัสสนานึกก็เป็นเรื่องอื่นๆที่แท้และกลายเป็นอารมณ์วิปัสสนามไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าในนี้ก็ได้แสดงว่าโดยธรรมะประเภท26หมวด243ข้อคือโดย ความเป็นอาภิญิ ย, ยธรรมที่เดเอามาพูดแล้วในเรื่องอภินยิ ย, ยธรรมนะฮะก็ไม่อัไม่แสดงอีกไม่มีเอกสารเพิ่มเติมอีกแล้วถ้าจะใครอยากจะดูมีอะไรบ้างก็ไปดูเลยนะหรือถ้าไม่จะไม่ดูก็ไม่จําเป็นอะไรสําหรับการที่จะฟังเรื่องนี้รเรื่องนั้นก็มีจกักรขาที่ทําคือเรื่องตาเห็นลูกหูฟังเสียงแล้วก็เกิดไ้กระบวนการที่ผสมลงมากับทวารทั้งหกเนี่ยออกมาเป็น ชิ้นส่วนแห่งสภาวะทำ42ชิ้นตาเป็นชิ้นหนึ่งรูปเป็นชิ้นหนึ่งจักสุวิญญาณเป็นชิ้นหนึ่งผัสสะเป็นชิ้นหนึ่งมันมีอยู่ในนั้นทั้งนั้นรวมไปถึงอธิโมกข์ถึงอะไรแต่อะไรนะฮะมากมายอยู่นะเนี่ยใครทําไหวก่อเนะี่ยทําเลยทั้งทั้งกระเบียเลยครับแต่เวลาทําไม่ต้องมานั่งไล่ทีละข้อนะเพราะี่ทีละข้อแสดงโดยทฤษฎีอะไรหลูก็เอาอันนั้น หรืออันไหนก็พอโผล่แต่ว่าเราเกิดจะหมายตาสนัดที่จะดูอันไหนก็ดูอันนั้นไปก่อนแล้วขยายอันอื่นไปบางยามก็เป็นเหตุเป็นผลกันบังคับเราอ่ะอันนี้แล้วต้องไปอันนี้ก็มีแต่ไม่ต้องไปกะเกณฑ์ไว้ในใจจนถึงปฏิจจสมุปบาทสิบสองก็เป็นอารมณ์มิปัสนาที่แสดงมากแสดงบ่อยถึงกับอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นเ ล, เล่มเลยทีเดียวนี่คือแสดงโดยประเภท และก็อยู่ในพระไตรปิฎกเป็นชุดๆไปครับอ่าเพราะฉะนั้นสมมุติว่าคนเกิดรู้อัาายาศัย mm hmm. ก็แจกอคนนี้ต้องเอาขันไปทําคนนี้ต้องเอาอจตนะสิบสองแบบสมบูรณ์ไปทําคนนี้เอาอจตนะแบบไม่สมบูรณ์ไปทําอย่างที่พูดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะแล้วคนนี้ต้องให้กําหนดตรงนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นที่หนึ่งอันอื่นเป็นที่สองแตกต่างกันไป ซึ่งตรงเนี้ยครับ น, น่าศึกษามากผมก็ได้ขึ้นบัญชีไว้ในใจแล้วว่าถึงวันใดวันหนึ่งจะค่อยๆทยอยออกมาพูดแล้วก็จะเอาหลักฐานออกมาให้ดูเราจะได้ไม่มีข้อติดขัดแล้วจะเห็นทัศนนียภาพที่กว้างขวางของของเรื่องเหล่านี้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราชอบแบบไหนแล้วก็อยากจะให้เป็นอย่างเดียวหรือนึกว่าจะต้องเป็นอย่างเดียวอันอื่นเราไม่ค่อยอยากจะยอมรับอย่างเงี้ยนะ แต่ความเป็นไปได้เยอะอ่าคราวนี้โดยองค์ธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าสรุปกันในชั้นอัตถกถ า, าในพระไตรปิฎกนี่ยไม่ได้แสดงไปลูกองคธรรมอย่างนี้ในชั้นอัตถกถาสรุปว่าสิ่งที่เป็นอภินัยยธรรมโดยองค์ธรรมแบบไม่ซ้ําตัวเนี่ยไม่ซ้ําข้อเพราะโดยข้อธรรมเนี่ยบางทีมันซ้ําข้อมากบางน้อยบ้างซ้างําบักใหม่ซ้บาบัก แปลไปตามเหตุผลของการสแสดงแก่บุคคลในเรื่องนั้นๆในที่นั้นก็คือโลกเยจิตแปดสิบเก้าเว้นโลกุตละจิตแปดเจตสิห้าสิบสองที่ประกอบโลกเยจิตลูกยี่สิบแปดเว้นนิพานอันนี้ก็เป็นมติของอัตรกถาแต่ว่าในพระตรัยปีดกเองเนี่ยสแสดงหมดทั้งไม่ไม่เหลือเลยครับบอกว่า แม้นิพานก็เป็นอาภินิยธรรมนะพอมาชั้นอัตตะถาแล้วท่านว่าเรอาอยัางไม่ได้นิพานจะเอานิพานมาเป็นหนังสืออ่านได้ยังไงมาเป็นอารมณ์ได้ยังไงแล้วก็โลกตละลัก็เหมือนกันเลยยังไม่ได้เราจะมาเอาเป็นอารมณ์ได้ยังไงอา่าหรือพวกที่ได้แล้วถ้าเป็นกรณีพวกที่ได้แล้วมันก็เป็นเรื่อง ไอ้โลกุตะละแปดเนี่ยเป็นของจรไม่ใช่เป็นของมาป้วนเปลี่ยนเหมือนอย่างไอ้จิตปกตินามลูก ป, ปกติมาป้วนเปลี่ยนลืมตาลืมส ต, ติขึ้นมนาเมื่อไหก็เห็นเมื่อ น, นั้นชนส ต, ติเมื่อ น, นั้นตำส ต, ติเมื่อ น, นั้นไอ้นิพพานก็เป็นเรื่องที่กรณีวิเศษไม่ใช่มาป้วนเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาก็เลยท่านก็เลยเอาออกแต่ในในพระใจปิดกเอาหมดเอาหมดทาง เวลาคนเมืกี้นี่เป็นจะโน้มเขาา้านก็จะถูกเป็นสิ่งควรรู้ยิ่งถึงเห็นรูปเป็นทุกข์เห็นนิพพานเป็นสุขใจมั่นใจในนิพพานก็ขั้นานามชาักตัวเองย่อมเองถือแล้วและพัฒนาไป็นโลกภายหลังปุบโลกกตดูับทุกครั้งน่าครบเป็นอันิจไกละควรตัวสัจธรรมเป็นมรกยานก็เพราะว่า คือพูดได้ว่าน้ำลกที่เป็นรายลักเนี่ยมันมีสองน้ำลูกใส่ข้าวแสดงบังเอาบังเป็นเจอร์เข้บังเป็นน้ำเป็นบังแต่นะไอ้ที่เป็นรายลักส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเหลือน้าไม่เที่ยงฉันใดเรือก็ไม่เที่ยงชันนั้นนะฮะทั้งน้ทาทั้งเลือทั้งน้ําทั้งปลาทั้งเจอร์เข้ต่างก็เกิดแก่เจ็บตายพูพังเหมือนกัน แค่ว่าเราจะข้ามน้ำเรียกจระเข้มาขอด้วยสารไม่ถึงฝังหรอครับเดี๋ยวว่าไปกินอย่างนี้เรารู้เป็นจระเข้เราจะต้องกําหนดรู้ต้องระแวดระวังมันนะไ อ, ไอ้บางอย่างก็เป็นน้ํามันไม่กัดเราก็จริงแต่ว่าไอ้เราจะไปโดดลงน้ําก็ไม่ได้น้ําจะมาเข้าเรือก็ไม่ได้เราก็กําหนดรู้เออมันควรจะคัดเรือยังไงอรัไปดังไหนนะฮะ วันนันเรือเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงสัต์เหมือนกับมักเหมือนกับวิปัสนานะะที่พัฒนาไปเป็นมักเหมือนกับผู้งแพรที่เราอาศัยข้ามไปสู่ฝั่งนอกนิพพานเป็นฝั่งนอกเราลองคิดดูครับคนจะละฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นซีกน้ำรูปอันเป็นภัยแล้วก็จะอาศัยลงเรือหยิบพายพายเรือ มีบ้างมาครับนอกจากคนบ้านนะที่ไม่รู้อะไรเห็นเรือก็กระโดดลงพายไปไหนก็ไม่รู้ฝั่งไหนเป็นยังไงก็ไม่รู้เอาละเราเนี่ยถึงจะอยู่ฝั่งนี้แต่เราเห็นแล้วว่าฝั่งนี้เป็นภยัยเรืออยู่เรารู้เออต้องอาศัยเรือต้องพายไปตามน้ำและต้องไปขึ้นฝั่งนู้นถึงเรายังไม่ถึงฝั่งยังไม่เห็นฝั่งแต่เราก็กำหนดหมาย ไว้ในใจหมดแล้วใช่ไหมเป็นเบื้องต้นแล้วตั้งแต่ปริยัติแล้วก็ค่อยๆไปฝั่งนี้ล้อมจางไปฝั่งใหม่ชัดขึ้นมันก็เป็นอภินยิยธรรมอย่างนี้ในฐานะอย่างนี้มันไม่ใช่อภิญิยธรรมชนิดที่มันให้เรากําหนดอยู่อย่างนี้ตลอดไปเหมือนอย่างนามูกธรรมดาคงพอนึกขึ้นใจนะที่ที่ อธิบายว่าในพรไตรปิฎกที่นี้เพราะนั้นชั้นในตรัะขาท่านอธิบายด้วยความหมายในชั้นอารมณ์ต่อหน้าต่อตาก็เว้นโลกุตละธรรมออกไปเสียตั้งเก้าอย่างเพราะฉะนั้นอภิญญยธรรมแต่ละหมวดแต่หมวดนี้มังองธรรมมันก็มาจากจิตแปดสิบเก้าเจ็ดสิบสองรูปีแปดที่พระพุทธเจ้าเอาประเดงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่อื่นไกล อันนี้คือเรื่องของโดยในของเทศาซึ่งต้องเรียนว่ากับอารมณ์วิปัสนาโดยในเทไรยศาสนาศาสน า, าที่เราเรียนนี้นะฮะไม่เรียนให้รู้ว่าคือไงและไม่ได้บังคับว่าใครจะต้องไปทำหมดทุกอย่างหรือทำบางอย่างผมไม่ใช่วิปัสนาจารย์ ไม่ยังไม่ต้องการไม่ใช่ไม่ใช่ไปเสียหรืวไ ม, ไม่ไม่คิดเลยยังไม่ต้องการที่จะทำแล้วก็ต้องการให้เป็นความรู้เพื่อไปสนับสนุนวิธีที่ท่านทำของท่านอยู่เอาไปเป็นประโยชน์ได้แค่ไหนก็ขอให้ได้ไปตามนั้นเท่านั้นแต่เป็นประโยชน์แก่ท่านแน่คราวนี้โดยในปฏิบัติแห่งบุคคลเนี่ย คือการยกประเภททำอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเป็นมุกมุกเนี่แปลว่าปากทางหรือเป็นจุดปฏิบัติเป็นหลักแห่งการปฏิบัติอย่าทำอย่างผมเคยเข้าใจแล้วเคยพยายามทำและอย่างบางคนในปัจจุบันนี้พยายามจะทำพยายามจะเข้าใจพยายามจะทาอย่างที่ผมเคยเข้าใจแล้วก็มาเชี่ยวถามว่า ไอ้ตรงนี้ในสติปัฏฐานสูตรมันคืออะไรจะได้ทําให้ถูกเพราะไอ้ตรงอื่นก็เข้าใจมาหมดแล้วทํามาหมดแล้วอันนี้ยังไม่เข้าใจอยากเข้าใจจะได้ทาถูกมีพวกเราเคยมาถามอย่างนี้ผมก็เสียดายจนบัดเนี้ว่าผมยังไม่ได้คุยตรงนี้ให้เขาฟังให้จัดเขาก็ยังเข้าใจเวลานี้เขาก็มาอยู่แต่ละคือไม่ได้ตายแล้วครับ <laughs> เข้าไปปฏิบัติก็นึกว่ากลับมาต้องพูดจะให้รู้เรื่อง เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราอ่านเรื่องกรรมฐานแต่ละแบบเราก็นึกว่าต้องทำหมดไม่หมดแล้วเราบรรลุไม่ได้เราจะเรินในธรรมไม่ได้เพราะั้นได้ฟังเรื่องเรื่องอาหาเลเราก็ทำอาหาเลนะฟังเรื่องอาณาเราทำอาณายิ่งฟังมากเรื่องเลยทำวันละหลายเรื่องแล้วก็หาเรื่องอื่นฟังต่อจะได้ทาอย่างอื่นด้วยยังเนี่ยตอนหลังเราถึงมารูวง ทำมาทั้งหมดเขาไม่ได้สอนให้เราคนเดียวเขาสอนให้คนอื่นด้วยให้แบ่งกันทํานะฮะคนอาจจะทําได้มากกว่าหนึ่งนะ่ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่ามันไม่ใช่ชั้นเริ่มต้นมันจะต้องเป็นไปตามเวลานะฮะว่าเคยทําอันนี้แล้วมาอันนี้อย่างนั้นได้ไม่เป็นไรคือคนบางคนสามารถจะทําได้มากมากมุกบางคนทําได้น้อยมุกแตกต่างกันบางคนบรรลุ มุกหนึ่งสมบูรณ์แล้วจึงมาฝึกทํามุกอื่นเพื่อเป็นเป็นความเชี่ยวชาญในเรื่องของกรรมฐานอย่างนี้เป็นไปได้นะมันเป็นแง่มุมเป็นกรณีอื่นๆไปแต่ว่าถึงในชั้นเนี่ยเราต้องทําเป็นอย่างๆไปเท่าที่มีสํานักสอนแบบใดแบบใดหรือเท่าที่เราเข้าใจได้และทําได้ต้องการจะทําแบบใดแบบใดก็ทําแบบนั้นแบบนั้น ไอ้ปัญหาใหญ่เนี่ยมาอยู่ที่อาจารย์นะไอ้อ่านตำราเนี่ยมันก็รู้กันได้แต่ว่าทำยังไงเป็นเรื่องวิธีเฉพาะขั้นตอนเฉพาะเนี่ยต้องพึ่งพ า, าอาจารย์นะเว้นแต่ว่าอดีตชาติจตเคยเป็นเจ้าสำนักมาก่อนกลับชาติมาเกิดใหม่ท่านอาจจะทําของท่านเองไอย่างนี้ก็ก็ต้องขอแสดงความเรื่มใสไว้ล่วงหนะ้าให้ทาไปเป็นอะไรไปอย่ามา บอกหนึ่ก็แล้วกันแต่ว่าไอ้เรื่องนี้มันไ ม, ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมากลู่หรอกนะฮะเพราะว่าไอ้คนจะมาเป็นอะไรไปเนี่ยมันเรื่องอากุศลวิบากอันอื่นถ้าคนที่เขาเก่งพอเนี่ยเ้าเอาตัวรอดเขาได้แล้วบางทีก็ใครก็จะมาสอนเท่าเขาสอนตัวก็เองไม่ได้ก็มีนี่เราต้องต้องยอมรับอ่าคราวนี้ว่าที่ว่า ยกขึ้นเป็นมุกเนี่ยของขจายนะท่านนึกถึงสติปัฏฐานสี่เท่นกายานุปัสนาบัพไดบัพหนึ่งเป็นมุกเวทนาจิตตาธรรมะบัพไดบัพหนึ่งเป็นมุกนี่นะก็ทำไปตามนั้นนี่คือเหตุผลในกรณีของแต่ละบุคคลผมได้พูดมาในเรื่องอปิญญยายธรรมแล้วละถ้าจำไม่ผิดอันนี้เหตุอธิบายเหตุผลมาแล้วก็ น, นี้ อ, อีกอีกอันหนึ่งก็คือว่าโดย ที่ในเอกสารไม่ได้พูดไว้เนี่ยนะก็คือโดยวิธีโดยในแห่งวิธีการโดยในแห่งวิธีการตรงนี้แหละเรื่องยากเรื่องยากและเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องที่จะทําให้คนทํำสน อ, อทํามุกให้ประสบความสำเร็จหรือไม่ อ, มอยู่ที่นี่คือ ไอ้คาว่าวิธีการที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าท่านสอนขึ้นมาเพื่อสนับสนุนหรือเพื่ออุดหนุนให้บุคคลผู้ทํามุกนั้นให้สําเร็จเพราะว่าไอ้หลักเนี่ยไอ้หลักเนี่ยมันพูดกันง่ายนะฮะเหมือนกับเรื่องทางบ้านเมืองเรื่องอะไรต่อะไรเงี้ยแต่วิธีการที่จะทําให้ บรรลุหลักสมความตั้งใจเนี่ยมันเรื่องยากและเรื่องวิปัสนาในยากยากกว่าตรงนี้แล้วก็ไอ้ตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมว่าได้ขึ้นบัญชีไว้คือวันใดวันหนึ่งข้างหน้าจะพูดถึงวิธีการทีนี้วิธีการเนี่ยมันมี <c oughs> อย่างนี้ครับวิธีการอย่างเป็นกลาง คือวิธีกลางที่สนับสนุนประเภททั้งหมดอันหนึ่งแล้วก็สองวิธีการที่ต้องถือว่าเป็นวิธีกลางเหมือนกันที่สนับสนุนมุกสามเป็นวิธี เฉพาะผมยังไม่พูดถึงตรง น, นี้แต่จำเป็นจะต้องพูดเถอะและ้ว่าเรื่องวิธีปฏิบัติกรรมฐานในชั้นที่ว่าทำไมถึงมีความแตกต่างกันเหตุผลใหญ่เนี่ยมีสองอย่างอย่างหนึ่งคือประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติที่แต่ละคนแต่ละอาจารย์มีเหตุมีไอ้เรื่องในตัวเองเฉพาะตัวต่างกันไป ทั้งดีทั้งไม่ดี <c oughs> สองทฤษฎีปฏิบัติในชั้นต้นตำราเนี่ยไม่มีวิธีใดเลยที่เป็นหลักปฏิบัติสำเร็จรูปครับที่บอกไว้ว่าอ้าวกายานุปัสนากาหนดอิริยาบถเนี่ยทำอย่างนี้นะันอย่างนั้นผิดในะอย่างนี้ถูกในชั้นพุทธพจน์ไม่มีครับผมยืนยันได้เลยว่า ไม่มีสักวิธีเดียวมีแต่ว่าวิธีใดที่ให้รายละเอียดได้มากกว่ากันวิธีที่ให้รายละเอียดได้มากที่สุดนั้นคืออาณาปานาสติมีที่อธิบายมากทั้งชั้นพระพุทธพจน์เขียนอาณาปานาสติสูตรใาชั้นพระอัครสาวกเข่ยนอาณาปานาสติกถาในปฏิสัมพิธามะ มีอธิบายไว้เยอะแล้วมีขั้นตอนที่ค่อนข้างดีกว่าวิธีอื่นอา้าวไม่เชื่อท่านลองไปอ่านในสติปัฏฐานสูตรแล้วสมมุติเราเอาไอ้ความรู้ของเราที่ได้มาตอนหลังๆจากภายนอกเนี่ยนะอยากรูบอาจารย์เอทิ้งไว้ยกเล่าแล้วลองอ่านแล้วดูซิว่าทำยังไงทำไม่ถูกหรอกครับอา้าวถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมเขาถึงทำกันมาได้ไหนมา ผมก็ตอบทำความเข้าใจตรงนี้สั้นๆก็ว่าหนึ่งเอาวิธีที่บอกไว้ในที่อื่นๆเลี่ยลายไว้ในที่อื่นๆเนี่ยผสมกันเข้ามาอธิบายไอ้ตัวมุกในที่นั้นนั้นนะฮะอันนี้อันหนึ่งแล้วก็สองเอา ว, วิธีที่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติถืบต่อกันมานะฮะก็เอามาใส่ ทีนี้เรื่องเรื่องวิปัชนาเนี่ยถ้าจะพูดกันอย่างเป็นหลักฐานเนี่ยมันมันจึงไม่มีพระไตรปิฎกสูตรใดที่สำเร็จรูปและอธิบายได้ทั้งหมดเราจึงต้องเรียนคว้างแล้วก็เทียบเคียงสงเคราะห์ให้เข้าชุดเองนี่ก็เป็นต้องเป็นเรื่องความสามารถความพยายามของเราเป็นเรื่องเบ็ดตเตล็ดเรื่องใหญ่นะฮะผมยกตัวอย่างอย่างนี้ว่าการ จเจริญสติปัญฐานด้วยอารมณ์คือขันห้าเป็นหลักแล้ววิธีทำไงวิธีมีเยอะแม้แต่การปฏิสันลีนะวิเวก อ, อ, อาสังสังสักะการหลีกออกเล่นอยู่เป็นเรื่องวิธีแล้วใช่ไมเรื่องวิธีที่จะต้องมอ พิจารณาไอ้เงื่อนไขแต่ละคนเราพูดไว่าไอ้หลักเนี่ยมันมีความเป็นกลางสูงสอดคล้องกับคนในมุมกว้างแต่วิธีนั้นยิ่งละเอียดลงมาเท่าไหร่ยิ่งเป็นของเฉพาะบุคคลมากขึ้นแต่นั้นซึ่งตรงนี้แหละอย่างเราเนี่ยเราพูดเอาแน่นอนได้ในขั้นพระทวีดกว่าวิธีที่อธิบายมาจนละเอียดเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมปิดนี่ก่อน ไปอ่านพระไตรปิฎกล้วเห็นเลยว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านเก่งท่านฉลาดท่านเข้าใจคนและวิธีแม้แต่ที่เราเคยรู้วในในพรนะไตรปิฎกเนี่ยเราอาจจะเคยอ่านแต่ในชั้นของธรรมบทแต่นี่อย่างในพรนะไตรปิฎกเนี่ยมีพระสูตรชื่อชอว่านันทสูตรเรื่องของพระนันทาเรารู้ว่าท่านเป็นใครนะอ่าผมว่าเขาคร่าวว่าท่านออกมาบวชบวชเสร็จแล้วก็กทนไม่ได้ก็ไปบอกเพื่อนลาโรมจารีว่า ผมเห็นจะต้องศึกซะแล้วละ่ะก็ถามว่าทําไมถึงศึกจะศึกก็ตอบว่าทนคิดถึงนางอ่าชนบุกกระยาณีไม่ได้เนี่ยเพิ่งแต่งงานยังไม่ส่งตัวเข้าห อ, อก็ไปหลวงทัวรับปากพระพุทธเจ้าบวชซะแล้วก็มาทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้พวกพระทั้งหลายได้ฟังอย่างนี้ก็ไปทูลให้พระพุทธเจ้าทราบพระพเจ้าก็บอกให้ไปเรียกมาเรียกมาก็ถามว่า ได้ยินว่าเธอจะศึกเลยเพราะเหตุนั้นเหตุนี้จริงเลยก็รับว่าพระพุทธเจ้ากระบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปกับเราพระผู้มีพระภาคก็ทรงฉุดแขนพระนันทาหายขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงในพระไติฎกว่างนั้นเลยนะแล้วก็พาไปทําไมแล้วไหมบอกว่าเอาล่ะถ้าอยากจะศึกอยากจะไปแต่งงานก็จะไปเลือกเจ้าสาวใ ห, หม่หมไปดูไปเลือกเอาก็ไปดูเนี่ยนางฟ้าคนนั้นสิเท้า ริมทีปากงามเหมือนนกพิราบนะฮเป็นสีลิปสติกก็พูดง่ายโดยไม่ต้องทาลิปสติกทาทั้งปากทั้งเท้าเลยแหละเนี่ยเรื่องก็สวยว่าเป็นยังไงเทียบกับเจ้าหญิงชนบทกาลยานีจะแต่งกับใครดี่ะก็บอกว่าจะแต่งบอกงั้นก็ไปดูจนกระทั่งพระนันธาเนี่ยในนั้นบอกว่าในพระไดรปิกบอกเลยว่าพระนันทากราบทูลว่าข้าพระองค์เห็นเจ้าหญิงชนบทเวลานี้ก็เหมือนกันนางลิงแก่ตัวหนึ่ง เท่นั้นเองนี่รักกันไม่จริงนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอาละ่ะเรารับรองที่จะให้ได้สมปรารถนาด้วยเธอ่ะจะศึกเพราะชนบทกาลยา น, นีนี่จะให้ได้สมหวังกับดาวดึงกาลยา น, นีแต่ก็มีข้อแม้ว่าเธอต้องประพฤติธรรมก่อนนะกลับไปประพฤติธรรมก่อนก็ให้กรรมฐานให้ประพฤติธรรม ตอนนี้พอกลับลงมาปุ๊บเนี่ยพระก็รออยู่หายไปไหนกันก็ถามพระนันทะก็ได้ความว่าอย่างนี้พระนันพวกพระทั้งหลายก็พากันรอว่านี่ลูกจ้างลูกจ้างที่รับจ้างปฏิบัติธรรมเพื่อจะแต่งงานเพื่อจะศึกไปแต่งงานลูกจ้างพระพุทธเจ้า พอได้ยินคำว่าลูกจ้างคือพระทั้งหลายหลังจากนั้นแล้วเจอหน้าประธันพระเขาเรียกครับเป็นไปไหนมาครับลูกจ้างเกิดความรู้สึกสะเทือนใจอายเลยนึกว่าเอไม่สมควรแล้วจึงไปขอหลีกเล่นอนจารย์บอขอหลีกเลนบาเพ็ญความเพียรแต่เพียงผู้เดียวไม่นานได้บรรลุเป็นพระหลาน พอออกมาจากที่หลีกเล่นพระเจอหน้าก็ยังลูกจ้างอยู่นะบอกเดี๋ยวนี้เราไม่รับจ้างแล้ววันนี้แหละเราจะไปขอเรื่องคำรับรองของพระผู้มีพระภาคที่ได้กระทำแก่เราไว้จะได้พ้นจากความเป็นลูกจ้างเสียสิพระก็พากันไปก็ไปกราบทูลว่าเนี่ยบรรลุแล้วเนี่ยพระผูชเจ้าของนึกว่านิทานจะมาทวงทาจะมา ท, ว ง, ามาทวงเจ้าสาวแล้วเนี่ยก็บอกมาขอเรื่อง คำรับรองของพระผู้มีพระภาคจากความเป็นลูกจ้างผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุษนะฮะอันนี้มันเป็นเป็นถือว่าเป็นวิธีเฉพาะนะไม่เอาคนอื่นไม่ได้เดี๋ยวไปเอากุลเขาเดี๋ยวไปเลยครับไปแล้วเกิดรับจ้างแล้วเกิดไม่ไปเลยนี่นะไอ้ทั้งเล่ามันไม่แน่เนี่ยนะคนเขามีบา ร, รมีเขามีกิเลสเนี่ยทั้งก็มีวิธีที่จะทําให้มันหักกลบลบกันได้อีอย่างนี้เรียกว่า เป็นวิธีที่เพียงแต่จะทำให้ทำแล้วก็เกิดความรู้สึกฝังใจกับการทำคือเรียกเป็นอารัฐะวิธีวิธีสร้างความเพียรทีนี้ไอ้วิธีลึกเข้าไปอีกนี่เป็นอีกอย่างแล้วนะฮะลึกเข้าไปเนี่ยอย่างวันอาทิตย์เราพูดถึงประสูตรสูตรหนึ่งแต่ว่าไอ้ท่อนหลังเราไม่ได้พูดไม่ได้แจกให้แต่ว่าจะแจกให้ไปอ่านเองก็เลยจะพูดแค่นี้ว่า บางวิธีเนะี่ยท่านอธิบายถึงไอวิธีเรื่องอาถรรามทางอยายตนะแล้วก็มี เ, เวทนาสามนะฮะที่สรคตด้วยวิจารอาสมมนัตสุ ป, ปวิจารอุเบขาสุ ป, ปวิจารทุกสุ ป, ปวิจารทุกเวทนาสุ ป, ปวิจารอันเป็นมโนปวิจารแล้วก็ ตอนท่านอธิบายอะไรต่ออไรมาอย่างที่เดว่าเขาข่าวมาแล้ตอนท้ายท่านบอกว่าเธอจงใช้เวทนาข้างฝ่ายเคหัสิตตเป็นเครื่องละเวทนาสุปวิจาร์เครื่องฝ่ายเนกขมมะเป็นตัวตัวไปนะมันไม่พอดีพอดีเรามีการเหล่อมล้ำอะไรกันบ้างแล้วก็อีกข้อที่ท่งงนานสงโหนตอธิบายเป็นพิเศษคือใช้อุเบกขาเวทนา อันมีอารมณ์เป็นหนึ่งเป็นเครื่องละอุเบกขาเวทนาที่มีอารมณ์ต่างๆเนี่ยในนั้นก็บอกไอ้วิธีการที่จะละที่จะทําใจอะไรต่อไม่อะไรต่างๆในเรื่องของการภาวนาเนี่ยมากมายไปหมดเลยก็ได้ความว่าไอ้วิธีเนะี่ยมีทั้งชั้นก่อนชั้นเบื้องต้นชั้นท่ามกลางและก็ชั้นเบื้องปลายมีหมดน่าศึกษานะ วิสุทธิมากก็เอามาพูดในบางเรื่องไว้บ้างอย่างเช่นการปรับอินเดียอะไรต่างๆพวกนี้นะก็มาจากพระไตรปิฎกตรงนั้นงนั้นถ้าเราได้รู้หลักการทั้งหมดและได้เชี่ยวชาญในเรื่องวิธีเนี่ยจะช่วยตัวเองได้มากเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็เราก็จะไม่ต้องกลัวเลยว่ากเกิดชาติหน้าจาติใดหยากปฏิบัติกรรมฐานไม่มีอาจารย์แล้วก็ไม่ต้องกลัวบ้าเพราะเรามี ไอ้วิธีที่เราเรียนรู้ว่าเป็นครูสอนตัวเราเองมันก็จะกลายมาเป็นสำนึกช่วยผมแวะมาตรงนี้ต่อครับวิธีกลางเนี่ยคือจะปฏิบัติแบบไหนก็ตามอภินเยยาทำทุกหมดทั้งหมดเนี่ยจะทำให้สำเร็จได้โดวยวิธีกลางวิธีกลางก็เช่นในสติปัฏฐานสูตรทุกแห่งทุกบับ จะบอกวิธีกลางเอาไว้เป็นที่หนึ่งนะฮะไม่ใช่มีเฉพาะแค่ดีนี้ว่ามาขายนั่นนะเที่ยวเทศมาขายนั่นแหละว่างั้นแหละอาตาปีสัมปชานุสติมามิเนยยะโลกเกวิชาโทนสะสังนี่คือวิธีกลางที่หนึ่งนะทําแบบไหนอยากจะบอกว่าฉันทําแบบขันฉันไม่ต้องเอาตาปีหรือขี้เกียก็ทําได้ได้ไหมละ่ะฉันทําแบบ ทำมานุปัสสนาฉันไม่ต้องเอาสัมมชาโนโนหรอกได้ไหมละ่ะไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นวิธีกลางที่หนึ่งยกตัวอย่างพอให้เข้าใจสองก็คือ <c oughs> แต่ละมุกมุกหมายถึงว่าอารมณ์แต่ระบับเนี่ยมันจะมีวิธีวิธีกลางของมันของมันนะฮะว่าเราในกอทําแบบนี้ในขอทําแบบนี้ต้องจับวิธีนี้ร่วมกันนี่เรียกว่าเป็นวิธีกลางอ่า เฉพาะเฉพาะมุกที่ตัวเองยกขึ้นเป็นข้อปฏิบัตินะฮะ <c oughs> อีกอีกอย่างหนึ่งก็คือวิธีเฉพาะเฉพาะมุกเฉพาะบุคคลอันนี้มันมีเกิดการมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนคือเป็นกรณีที่ให้ไม่เหมือนกันขึ้นกับไอ้ข้อแม้ข้อแตกต่างระหว่างบุคคล นั้นบุคคลนี้ที่มีเงื่อนไขอย่างนั้นอย่างนี้แม้จะทำวิธีนี้แต่คนนี้มีเงื่อนไขอย่างนี้ต้องทำด้วยวิธีนี้ไอเงื่อนไขที่มันเป็นเรื่องเงื่อนไขที่มีต่อเริว่าเงื่อนไขที่มีต่อขันห้าของคนนั้นแล้วก็เงื่อนไขในตัวของเขาเองก็จะต้องใช้วิธีนั้นให้สอดคล้องกับบุคคลนั้นๆจึงจะได้ผลนี่คือเรื่องของวิธีที่ ในส่วนหลักสรุปออกมาได้อย่างนี้ผมขออธิบายโดยลำดับต่อไปขออ่านวิธีโดยบุคคลสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อจะมีอะไรต้องพูดกันหลงเหลือข้อกอยกประเภททำอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเป็นมุกแล้วอย่างรู้ทำประเภทอื่นแม้ทั้งหมดอันนี้ ในแง่ของบุคคลเนี่ยถึงเราจะทำด้วยมุกใดเมื่อบรรลุแล้วโดยในนี่ผมย้าว่าโดยในเราจะรู้มุกอื่นด้วยเพราะมุกอื่นมันก็นีไ่พ้นจากความเป็นนามรูปเหมือนกันใช่ไมอายตนะสี่แปดกับขันห้าคนละมุกกันแต่เหมือนกันโดยสาระแห่งความเป็นนามรูปใช่ไหมฮะผู้ปฏิบัติเห็นแจ้งในขันห้าและย่อมสงเคราะห์ ขันห้ากับอายตนะกับธาตุสิบแปดอายตนะาสิบสองได้ว่าอันไหนเป็นลูกเป็นอะไรยังไงโดยแน่นอนโดยในเลยเรียกว่าพอบรรลุขันห้าแล้วก็รู้เรื่องอื่นโดยปริยายจะคิดหรือไม่ได้คิดจะฟังหรือไม่ได้ฟังก็ชื่อว่ารู้รู้ทุกเท่ากันเสมอกันทีนี้ถ้าคนนั้นมาฟังคนนั้นมาฝึกปฏิบัติ ด, ด้วยวิธีอื่นดู ก็สามารถที่จะทําได้โดยง่ายทําได้โดยไม่ยากแต่ถึงไม่ทําก็เข้าใจอยู่นั่นเองว่าอยายตนะสิบสองมันก็เกิดจากตัณหาเป็นสมุทรฐานเหมือนกันแล้วมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันอันนี้จังทุกครั้งนั้นตาเหมือนกันเพียงแต่อ่าเอาไปใส่ขวดต่างกันปิดสลากไว้ต่างกันได้นั่นแหละครับเป็นยาอย่างเดียวกันคนเราเนี่ยมันก็ติดหอนะฮะ ไม่ใช่ใจแต่ไอเรื่องวัตถุกรมถึงจะติดแล้วติดหอติดอะไรต่างๆไอของอย่างเดียวกันใสภาชนะใส่อะไรอย่างก็คือความรู้สึกไปอย่างนะความมีพฤติกรรมตอบรับก็ไปอย่างแต่ธรรมะนี่ก็เหมือนกันพอมาทำหีหอทำอย่างงูอย่างนี้ไปอย่างก็รู้สึกว่ามันน่าทำมันง่ายมันของสะดวก ก็ไปอย่างมันั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าท่ารู้่รู้แล้วก็เอามาทําเป็นระเบียบอย่างนั้นอย่างนี้ให้เป็นประโยชน์เพราะความเป็นระเบียบเนี่ยคือรูปแบบที่มีผลต่อความง่ายในการเข้าใจมีผลต่อความง่ายในการเรียนรู้แม้แต่เราทําเอกสารมาเนี่ยพิมพ์เป็นระเบียบสวยงามขึ้นหัวข้อเป็นระเบียบสวยงามก็ง่ายง่ายแก่การที่จะทําความเข้าใจเป็นขั้นเป็นตอนไป อันนี้ก็แบบถ้าสมมุติว่าเราจะคัดคาดข้อความนั้นไปปไปดกมาเจออะไรก็ใส่เลยใส่เลยใส่เลยพิมพ์เลยพิมพ์เล ย, เลยแล้วมาแจกเนี่ยเอกสารมันเยอะแต่ความรู้เรากลับน้อยะเพราะว่าไอระเบียบมันไม่ช่วยทั้งที่เนื้อหาเป็นของดีเหมือนกันเลแหลนไอระเบียบอย่างเงี้ยมันออกมาถึงขนาดระเบียบในทางพฤติกรรมข้างนอกมันก็ช่วยช่วยทําให้ไอวินัยทําให้ สมาธิเป็นระเบียบวิปัสนาเป็นระเบียบเรียงตัวดําเนินไปได้ขอว่าต่อไปว่าอาที่เป็นข้อที่จะต้องควรจะต้องอธิบายหรือทำประรำประเภทที่ยกขึ้นเป็นตัวตั้งเป็นสมมุติก็มีเป็นปรมาจา์ก็มีปลกันก็มีอันนี้ผมได้เน้นมาในายพินยธรรมแล้วแต่ว่ายัางเป็นต้องพูดอีกชนิดหนึ่งว่าทำที่ยกขึ้นมาเป็นตัวตั้งเนี่ย อย่างเช่น <c oughs> อิริยาบทใหญ่อิริยาบดย่อยเป็นอารมณ์เป็นธรรมะประเภทหนึ่งที่ยกขึ้นมาเป็นมุกของผู้ปฏิบัติกรรมฐานพวกหนึ่งอิริยาบดเนี่ยใหญ่ก็ตามย่อยก็ตามเป็นสมมติหรือเป็นประมัดสมมุติแต่ทำไปแล้วเนี่ยทาเพื่อให้เห็นเป็นสมมติหรือทำเพื่อเพื่อให้เห็นเป็นประมัด ทำเพื่อให้เห็นเป็นปรมัตย์เพราะอะไรเพราะว่านามและรูปนามต่างๆรูปต่างๆมีอยู่เกี่ยวข้องอยู่กับอิริยาบถใหญ่ยาบถ ย, ย่อยทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละครับที่มันท้าทายมันจะผิดจะถูกตรงนี้เดี๋ยวมันมีประเด็นบอกอยู่นะเราเข้าใจหลักตรงนี้เราจะได้ระวังถูกไม่งั้นแล้วก็ทําแล้วผิดไปเลยสมมติเรากําหนดเดิน ปายนอกเพื่อจะให้เห็นขาข้างในขาทิพย์เดินทิพย์ถูกไหมอะยังงี้ผิดอะผิดในทางหลักเลยกําหนดขาให้ขาหายกําหนดเดินให้เดินหายเพราะเดินมันไม่มีอ่ะมันมีแต่ความเกิดดับของรูปของนามกับจิตรจะจะรูปที่สั่งรูปให้เป็นไปต่างๆอเสร็จแล้วเดินก็จะไม่มีละลายหายหมด นั่นแปลว่าเราเข้าถึงปรมัดจับปรมัิได้แต่ว่าคนจำนวนมากเนี่ยในชั้นต้นมันไปบอกปรมัดเนี่ยอย่างที่ว่าเมื่อกี้หลายๆคนบน่นมันตรงไหนนึกถึงที่ไรมันก็เป็นขานะะแล้วก็ก็ทำลำบากก็เลยต้องเริ่มจับแล้วก็ค่อยดูค่อยๆจับไอ้ไอ้ของจริงในนั้นว่าในนั้นมันเป็นของจริงมันมีของจริงเป็นอย่างไร เป็นการละลายกลุ่มก้อนโดยวิธีการทางการอย่างรู้ไม่ใช่โดยภาคปฏิบัติคือเอาขาไปละลายไปอย่างนั้นอย่างนี้มันมันไม่ได้มันต้องอย่างรู้อย่างนี้แม้คําว่าแยกรูปแยกนาจะหมายถึงเอาความรู้เนี่ยเข้าไปแยกแยะของทั้งหลายเนี่ยมันปนกันอยู่ก็ให้มันปนขึ้นมนไปเพราะยังไงมันก็ต้องปนกันอยู่ดีปนชั่วอะ หลายอย่างมาปนกันเป็นเหมือนเป็นอย่างเดียวกันแต่ถ้าเราเป็นคนมีความคิดแยกแยะแล้วอย่างว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นวิพัตชวาทีแยกแยะที่จะแสดงแยกแยะที่จะพูดเนี่ยก็จะมองปั๊บแล้วก็แยกแยะอันนี้ส่วนนั้นเป็นงั้นส่วนนี้เป็นอย่างนี้แง่นั้นเป็นอย่างนี้แง่โน้นเป็นอย่างนี้ในในขั้นของความคิดธรรมดาเนี่นะฮะในงัานการขี้แจงเหตุผลเป็นอย่างธรรมดาแยกชั้นนอกแต่ชั้นในก็คือแยกกําหนดแยกให้เห็นเป็นส่วนกันให้ได้ โดยไม่ต้องไปแยกจริงๆเพราะมันแยกของมันจริงๆโดยธรรมดาอยู่แล้วความรู้เรานะไปเห็นแยกจริงๆได้ไหมเพราะเราเห็นไม่ได้เราปฏิบัติจึงเห็นได้นี่ถ้าสมมติเราไม่ยอมเอาใจไปปฏิบัติไปดูไม่ยอมทเของขใจแล้วก็เอามาแยกกันอย่างของจริงเขามันก็ไม่คิดแยกอย่ถูกไหมล่ะเรามีคนอันเป็นที่รักแล้วเกิดไปถูก เอาอุบัติเหตุขาไปข้างกระดูกระเบิดหัวไปข้างเราได้นามรูปฤาษีเทวียนมล่ะเขามาตายให้เราเห็นวิญญาณดับไปจากล่างเราแยกรูปแยกนามได้ไหมล่ะเราก็แยกไม่ได้เนี่ยพราะไอ้ธรรมชาติเนี่ยมันมันเป็นยังไงไงถ้าเราไม่เอาใจเข้าไปอบรมไปดูตามความเป็นจริงมันก็ไม่เกิดการแยกอย่างนี้เพราะนั้นตัวมุกเนี่ยจึงเป็น คุยง่ายว่าเป็นวิปัสนาภูมิที่เป็นปรมาทก็มีเป็นสมมุติก็มีปลกันก็มีที่เป็นปรมาทก็เช่นจิตเป็นปรมาทจิตตานุปัสนานะะอย่างนี้เรียกก็เป็นปรมาทข้อคอที่เป็นสมมุติต้องกําหนดให้ถึงปรมาทอันนี้ก็เป็นเป้าหมายและเป็นเครื่องแสดงถึงความก้าวหน้าอย่างถูกต้องของการปฏิบัติและที่เป็นปรมาท อย่ากำหนดให้เป็นสมุทเอ็นที่แปลกฮะว่าเอาเป็นปรมาแล้วเนี่ยแทนที่จะทำให้เป็นปรมัติแทงลึกยิ่งขึ้นกลับตีกลับมาเป็นสมุิอันนี้แปลกคืออย่างไรมันก็เลยต้องมาอธิบายกันในประเด็นต่อไปว่าทิศทางแห่งการกำหนดรู้ว่ากำหนดไปทางไหนกันบ้างจากไหนไปไหนและจากไหนไปไหนเป็นผิดเป็นถูกในส่วนถูกเนี่ยครับต้องกำหนดอย่างนี้คือกาหนด เอาสภาวะประมัตาจากสมมุติ่ะซึ่งในที่นี้เราต้องเรียกกันให้ชัดลงไปอวิชมานะบัญญัติที่ยกขึ้นเป็นมุกเอก็เลยจําเป็นต้องพูดถึงบัญญัติว่ามันมีสองอย่างบัญญัติที่ไม่มีปรมัจิตอยู่ข้างในบัญญัติที่ไม่ได้กรุมปรมัจิตไว้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความอย่างรู้ เป็นบัญญัติที่ไม่มีจริงรองไม่มีความจริงรองรับไม่มีประมาทรองรับเรียกว่าอาวิชมาณะบัญญตัติเช่นมโนภาพที่เราสร้างขึ้นมาใดๆเนี่ยนะไม่มีของจริงใช่ไหมเราจะไปกําหนดมโนภาพคนอื่นนามรูปภายนอกหรือตัวเราเองแล้วสร้างเป็นมโนภาพอย่างเห็นด้วยประการใดว่าเรามี มีไอ้กายทิพย์อย่างงนอย่างนี้แล้วไปกําหนดเอารูปเอานามในนั้นไม่มีครไม่มีนามรูปในในนั้นให้เห็นเพราะมันเป็นบัญญัติที่ฝ่ายอาวิชมานะไม่มีนามรูปโดยปรมาทลรองรับอยู่ใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างคนที่เอาชานมาต่ออิปัสนาเนี่ยชานเนี่ยก็มีอารมณ์ชานกับตัวชานนะแต่ว่าชานนั้นเพ่งกระสินใดเป็นอารมณ์ เอากระสินมาทำเป็นอารมณ์วิปัสนาไม่ได้ครับแต่เอาตัวฌานมาเป็นอารมณ์วิปัสนาได้เพราะอะไรเพราะอารมณ์ของฌานเป็นอวิชมานะบัญญัติแต่ตัวฌานเป็นปรมัตะเป็นของจริงอย่างนี้ได้ทีนี้มาพูดถึงว่าแขนมีไหมแขนมีไมแขนไม่มีโดยปรมัติเป็นของสมมติใช่ไหม แต่ว่าในแขนเนี่ยไม่มีรูปไม่มีน้ำเสียเลยทีเดียวหรือมีเพราะฉะนั้นแขนจึงเป็นวิชมานะบัญญัติเป็นบัญญัติที่ครอบนามรูปไว้เกิดขึ้นจากนามรูปเป็นที่อาศัยบัญญัติตัวเราทั้งตัวคนก็ไม่มีแล้วไปเอาคนมาเป็นอารมณ์วิปัสนาได้ไงเราไม่ได้เอาคนเราไม่ได้ดูคนให้เป็นคน ใช่เราดูสิ่งที่มาคุมขึ้นเป็นคนังนั้นอัตภาพของเราจึงเป็นวิชมานะบัญญัติเป็นอารมณ์มฐานได้แต่กรรมฐานต้องดูให้แม่เป็นคนดูแขนม่ให้เป็นแขนดูเดินไม่ให้เป็นเดินดูนั่งไม่ให้เป็นนั่งดูพูดม่ให้เป็นพูดต้องดูเอาอย่างอื่นให้มันเป็นอย่างไอ้เนื้อแท้ที่มันสารตัวกันขึ้นมาเป็นอาการเหล่านั้นนั่นตรงนี้น่ะ ถ้าเราดูอารมณ์สอบอารมณ์ว่าอารมณ์เนี่ยที่เขาตั้งให้ปฏิบัติเนี่ยมันเป็นของมีหรือไม่มีเป็นบัญญัติฝ่ายไหนถ้าเป็นบัญญัตินะฮะถ้าเป็นบัญญัติฝ่ายโมคะแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยครับในอภินิยธรรมเนี่ยจะไม่มีบัญญัติฝ่ายโมคะอยู่ในความเป็นอารมณ์วิปัสนาใช้ไม่ได้ ไม่งั้นก็เอาอยาี่ไม่ได้เลยครับเขาบอกว่าให้เดินจงกรมเรากี่เกียจเดินแล้วก็นั่งหลับตาสมมติว่าตัวเองกําลังลุกจากที่อาสนะหนึ่งแล้วก็ไปเดินจงกรมซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนอะอาะังหวะที่หนึ่งังหวะที่สองอยังหวะที่สามนะแล้วก็ดูให้เห็นความเกิดดับเอาตามใจชอบนะยกหยันยกย่างหยันยันอะไรทั้งหลายที่หกยังหวะเนี่ยตามใจชอบอย่างนั้นก็เลยขอเลยสร้างให้ตัวเองบรรลุญาณที่หนึ่งตามใจชอบ ยานที่สองตามใจชอบเป็นอาราหันตามใจชอบอย่างนี้ก็แย่แล้วอาจารย์เขายอมไหมไม่ยอมก็อย่าว่าแต่อย่างนี้เลยแม้แต่ฝันยังใช้ไม่ได้เลยฝั น, นถ้ามันใช้ได้ผมเป็นโสดาบันไปหลายปีแล้วผมเคยฝันว่าเป็นว่าโสดาบานัน กำหนดเห็นหน้าเป็นรูปเนี่ยแล้วนึกสะเทือนจโอ้หเป็นอย่างนี้เองแล้วกําหนดต่อไปในนั้นว่าเราเป็นโสดาบันแล้วนึกปีติโอ้โสดาบันเป็นอย่างนี้เองเนะพอตื่นขึ้นมาเนี่ยความฝันสลายเลยไม่ได้เป็นจริงเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นโมฆะใช้ไม่ได้ต้องเขาถึงบอกว่าวิปัสสนาต้องไม่สร้างอารมณ์ขึ้นมานะ มันมีแต่ว่าอารมณ์ที่เราเคยสร้างเป็นมโนภาพผิดไว้ในใาพยายาณจะทําให้ตัวเองตื่นจากฝันว่าเดินเนี่ยไม่มีเดินจริงๆคูเข้าเหยียดออกไม่มีจริงๆมันมีแต่ความเป็นจริงในความฝันนั่นคือนามรูปที่มันเป็นไปอธิบายไปเป็นกิจตัจรูปอยู่ในนั้นทีนี้ในอีกส่วนหนึ่งคือกําหนดเอาสภาวะ จากปรามาธรรมที่ยกขึ้นเป็นมุก ค, ค, คือหมายถึงว่าพอเราเริ่มต้นว่ากําหนดเวทนาจิตตาเนี่ยอันนี้เป็นปรามัาลวนนะหรือท ร, รมานุปัสนาหรือบับอื่นๆที่มันเป็นกรณีปรามัาลวนหรือการเห็นศักดิแต่ว่าเห็นอย่างงี้นะะทางอายตนะเป็นปรามัาลวน ตรงนี้แหละที่เราอย่านึกว่าเราสมาทานอารมณ์มาฐานที่เป็นปรมัตัยแล้วเนี่ยพอเราไปทําปุ๊บจะจับปรมัตัยได้มันจะหนีชั้นแรกอยจะหนีอ่าพระทายกตัวอย่างอย่างวิธีบางวิธีเช่นของท่านอุบาขินกําหนดความรู้สึกในสลีละเริ่มตั้งแต่ว่าที่กระหม่อมมีความรู้สึกอย่างไร ถ้าเราทําครั้งแรกเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกตีกันเลยว่าหนึ่งใจไปจับเห็นกระหม่อมเต้นเห็นรูปประพัน์สันธานอันหนึ่งแล้วก็พอเหลือบความคิดมาอีกด้านอีกออีกีกกนิดหนึ่งเกิดความรู้สึกกับการเต้นที่กลางกระหม่อมสองอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันนะถ้านึกแล้วเห็นภาพเป็นกระหม่อมผิดไหมผิด ผิดตั้งแต่ต้นเลยเพราะว่าเขาไม่ได้สอนให้กําหนดเอาอันนั้นแต่ใจเรามันติดไอ้ริงเหล่านี้อยู่แล้วเราก็ค่อยๆกําหนดหักเข้ามาดูความรู้สึกมันก็จะจับความรู้สึกความเป็นกหมอมไม่มีแต่ในชั้นแรกนะมันก็ฟัดกันไปเหวี่ยงกันมานะฮะเดี๋ยวภาพเดี๋ยวรูปภัณ์สันตานเดี๋ยวอวัยวะเดี๋ยวความรู้สึกแต่เมื่อบุคคลทําอย่างเข้าใจไปโดยลําดับเรื่อยๆมันจะเหลือแต่ความรู้สึก มีแต่ความรู้สึกทั่วทั้งตัวเป็นแต่ความรู้สึกหมดที่เกิดขึ้นเพราะกระทบกับหน่วยของอารมณ์อันนี้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็ความนึกมันก็จะมาจับแม้แต่ไอาการกาหนดรู้ว่ากาหนดรู้แล้วเป็นยังไงชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยเข้ากบบระบวนการหมดทั้งอารมณ์ทั้งกิเลส ท, ที่มันต่อสู่ดึงดันแล้วก็ทั้งที่เราเอาชนะมันได้ ไปตามส่วนแล้วก็ทั้งความอย่างรู้ของเราว่าความเจริญเติบกล้าของความอย่างรู้เราเป็นอย่างไรมันพลาดตรงไหนมันดีตรงไหนมันต่อเนื่องดีตรงไหนมันรุ่มรุ่นรอนๆตรงไหนมันก็จะให้เรารู้หมดนะครับเพียงแต่ว่าไอ้เราเนี่ยรู้ทุกคนนะถ้าทําแบบไหนก็ตามนะคล้ายๆในหลักอันนี้หลักกลางอันนี้เพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้มานึกแยกกันอย่างเชิงวิชาการอย่างที่ผมพูดนี่แต่พอพูดเป็นเชิงวญาณเราก็นึกว่าเออเราก็รู้จริงๆอย่างนั้นจริงๆ ไอ้อย่างนี้เรียกว่าใช่ได้ทีนี้ควนึกเป็นสมมติเนี่ยคือยังไงบางทีแล้วจับเวทนาอยู่แล้วเรานึกว่าถ้ามีความรู้สึกว่านี่เวทนานี่เป็นของเรานะฮะสุขในกามในกินในเกียรตเป็นอย่างนี้แล้วไอ้คนที่เขาติดสุขทางโลกโลกเนี่ยแล้วก็พา น, นเขาไปติดกามติดกินติดเกียรติอะไรพวกนี้นะก็ติดอย่างเอาสมมุติเข้าไปใส่ ความรู้สึกอย่างเรานึกว่าความรู้สึกนึกคิดเป็นเราเนี่ยหมายความว่างไงเราเอาสมมุติเข้าไปใส่ปาลามัตใช่ไหมฮะเกิดความรู้สึกว่าความรู้สึกอย่างนี้เป็นของเราเอาสมมติก็ไปใส่ปรลมัตอย่างหลกๆรู้สึกกันเนี่ยเขาก็สัมผัสกเวทนาทั้งหลายเหมือนเหมือนกับเราเราเหมือนๆ เ, เขาเขาแต่เร า, เาสมมติไปใส่หม ด, ด ทีนี้พอมาทํากรรมฐานเนี่ยมันก็สู้กันแต่ไอ้ที่มันเอาเข้าไปใส่ก็คือว่าพอเราได้อารมณ์ดีนะฮะเราจะเอาสมมุติเข้าไปใส่ว่าเราเก่งคือเอาวิปัสนาเป็นเราเอาความรู้สึกที่วิปัสนาเห็นเป็นของเรา นี่คือสมมุติบัญญัติที่เอาไปใส่กับปรมัติฏที่มันไม่น่าจะตีกลับเราก็จะต้องชักกเยาะกับไอ้สมมติกับบัญญัติอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆฮะมันไม่ทิ้งเราง่ายๆหรือเราไม่ทิ้งมันง่ายๆแม่ยานสูงๆอะไรขึ้นไปก็มีให้สังเกตอย่างนี้ว่าถ้าเราเอาสมมติบัญญัติเข้าไปแล้วสมมติบัญญัติที่ ที่เป็นเรื่องแรงเรื่องใหญ่ของวิปัสนาคือตนกับของตนเรื่องสวยเรื่องอะไรเนะี่ยยังเป็นเรื่องรองลงมานะะต้นของตนเป็ตัวออกนะสุภาษสัญญานิจจะสัญญาอะไรแต่ไรเนี่ยก็เกี่ยวด้วยแต่ตนกับของตนเป็นตัวออกนะและให้สังเกตยอย่างนี้ว่าถ้าเมื่อไรใจอยู่ภายใต้ของการตีกลับมาเป็นความสมมุติแล้วสมมุติอย่างตนของตนสวยไม่สวยนะอีกทัศนะในทางลึกเนี่ยมันอีกอย่าง <c oughs> เกิดความอภิลมในนามรูปในฐานะอย่างนั้นตามระดับภูมิปัญญาการเข้าถึงอย่างนั้นสิ่งวัดมีอยู่สองอย่างทุกคนเลยครับอันนี้ถือเป็นหลักกลางได้อภิชากรโทรมนัสย่อมเกิดเกิดซอกแสกซอกแซกเข้าไปอย่างลึกซึ้งเลยและถ้าเราไม่แน่จริงเรานึกว่ามันเป็นของดี อาพิชาระดับนั้นเป็นของดีโทมนัสระดับนั้นเป็นความรับผิดชอบของเราชมตัวเองว่าเรารับผิดชอบต่อการประพฤติธรรมของเราอ่ะแหมเราตั้งใจจะทําดีแล้วมันไม่สมใจเราเราก็เลยอย่างโนอย่างนี้นี่แหละครับคือเอาปรมาณให้มันกลับมาเป็นสมุดกำหนดอย่างเป็นสมุด อีกทีนนี่ถ้าจะยกตัวยอย่างอย่างชัดๆอย่างที่ <c oughs> พวกเรามีปัญหาเป็นบังกณีอันนณนอนีนะฮะอย่างที่ยกตัวยอย่างว่าถ้าเราเดินจงกรมหรือนอนหรืออะไรต่างๆเนี่ยอย่างมีนักกรรมฐานเคยมาสนทนากันแล้วคนหนึ่งแล้วผมก็เคยเล่าแต่ไม่ได้เอ่ยว่าเป็นใครก็เป็นคนมีชิ่อเสียงกาหนด กำหนดเดินเนี่ยคเดินอย่างกลมเนี่ยกำหนดและเชื่อไหมครับว่าตัวเองกลายเป็นคนมีสี่ขาตั้งใจว่าจะก้าวเอ้มมีขาอื่นก้าวไปรวมน้าแล้วเวลาจะนอนเวลาจะลุกมันมี ลุกมีนอนอีกล่างหนึ่งตัวไว้เอ๊ะนี่ใครลุกใครนอนทีแรกก็นกึกว่าเราลุกจริงๆก็ามาจับได้ทีหลังว่าเอ้ะเรายังนอนอยู่แล้วนั่งใายลุกไครคิดเลยเปื่อยว่านี่เราเห็นกายในกายแนละ้วเราจะตามกําหนดกายในกายไม่ขอกําหนดกายภายนอะกไว้เที่ยวตามดูยืนเดินนั่งนอนของกายกายในกายนะก็ไปกันใหญ่ในทางหลักนะ นี่ผมพูดอย่างในทางหลักเนี่ยไม่ไม่รับหลักอันนี้ อ, อีกนี่เป็นโยมโยมหญิงอีกท่านหนึ่งนี่ฟังมาก่อนหน้านะเป็นพระท่านอยู่วัดองเดียวเป็นทั้งเจ้า ว, วาดเป็นทั้งลูกวัดเสร็จนี่ท่านก็ปฏิบัติแต่ว่าผมฟังแล้วท่านผมก็รู้ว่าท่านทำทางสมาธิ ทำจกนกระทั่งว่าเวลานั่งเนี่ยเมื่อก่อนไม่รู้เมื่อก่อนไม่รู้นะเอ๊เดี๋ยวเราก็ลุกลุกไปเดินตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มีความสุขเราก็มีสติรู้ตัวกับตัวเราลุกเอ๊ะพอนานเข้ากลับมาดูอไอโนเราองค์นูลุกไปแล้วองค์นี้ยังนั่งอยู่เอ่เราลุกจริงหรือเรานั่งจริงนะในนั้นยังยัง ยังงงอีกนะเพราะว่าเวลาไปทำํำถึงตอนนั้นจิตมันลึกเนี่ยตัดสินไม่ได้ว่าที่ลุกไปนั่นตัวจริงหรือนั่งอยู่ตัวจริงนี่ท่านก็มาพิสูจน์อ่ผมก็ถามทำไงท่านก็บอกว่าอาตมาก็เอาตอนนั่งกรรมฐานอาตมาก็เอ า, เอาเอาไม้ขีดที่ไว้จุดเทียนอุญญาณละวางไว้ที่หัวเขาแล้วนั่งแล้วก็กําหนดว่าถ้าลุก ไอ้คนลุกองค์ลุกลุกไปจริงไม่ขีดต้องหลน่นถ้าที่ลุกนั้นไม่จริงไม่ขีดต้องอยู่ถ้าจะองค์นั่งจริงนะไม่ขีดต้องอยู่แล้วผลเป็นไงไม่ขีดไม่หลน่นนี่ผมก็มานึกเอาทีหลังไม่ได้แย้งนั้นว่าเออถ้าเกิดไม่ขีดมันมันเกิดมีเป็นสองกล่องถ้าจะตัดสินยังไงล่ะอย่ามาละ บังเอิญไปตั้งหมายเอาไม่ขีดเป็นที่กําหนดตัดสินนั่นนะฮะก็มันก็เลยออกมาอย่างนั้นเดี๋ยวไม่ใช่ว่าไม่ขีดไอ้ติดอยู่กับหัวเขาองคนั่งองค์ลูกก็ไม่ขีนหลน่นแล้วแล้วอเงี้ยเลยต้องหาอย่างอื่นลูกศิษย์วัดก็ไม่มีที่จะให้มาคอยนั่งดูว่าลูกจริงไม่จริงแต่ว่า <c oughs> บางท่านได้ยินมาว่าก็ให้คนอื่นมานั่งดู <c oughs> แล้วก็บางทีก็ใช้วิธีเอาเชือกผูกไว้นี่ที่เป็นองค์อื่นนะ วันนั้นไอ้ตรงนี้อะมันเป็นเรื่องของการที่กําหนดแล้วมันมันกลายเป็นเรื่องของสมมุติไปอไอ้ของเป็นก้อนเป็นแท่งอยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็ทำที่กาหนดซะจนระดังกลายเป็นก้อนเป็นแท่งกระดู ก, กระเดี่ยวมือไม้ติดกันหมดเป็นก้อนเป็นแท่งก็ไม่ถูกต้องแก้ครับ ต้องแก้เลย น, นี่เราพูดได้เลยว่าอย่างนี้ต้องแก้ต้องสลัดความสำนึกในการกำหนดอย่างใหม่รู้สึกว่าผมจะพูดมาได้เวลาที่ควรจะต้องหยุดแล้เอเกอะเลยยังไม่จบ พอความในเอกสารขอเอาไว้ต่อในคราวหน้ากราบขอพระคุณอาจารย์เทศเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้เชื่อแน่ว่าหลายคนต้องฟังด้วยความตื่นตึงเพลิดแล้วก็อยากจะข อ, อะสรุปว่าแม้ตัวตัวเองกอ็ต้องคิดว่า เทปเทปวันนี้ต้องต้องไปฟังหลายๆหลายๆครั้งนะฮะแล้วก็เ อ, อเายิ่งเรียนเข้าไปมากเราก็จะสามารถตามที่อาจารย์พูดได้นะคะสำหรับคนที่มาใหม่ไม่รู้อะไรอย่าสะดุดนะคะอย่าสะดุดเอาเท่าที่เราเข้าใจแล้วเราเร า, เรารู้นะคะที่ไม่รู้เราก็ทิ้งไปแต่จริงๆวันนี้เนี่ยถ้าเผื่อสรุปได้นะคะในเรื่องของ หลักการอะไรทั้งหมดเนี่ยนะคะอาจารย์พูดเนี่ยในในเรื่องของปริญญาปัญญาเนี่ยนะะมันมีอยู่สามระดับคือระดับหลักการระดับวิธีการแล้วระดับมาตรการถึงแม้ว่าอาจารย์จะไม่ได้ใช้คำคานี้นะคะคือมาตรการเนี่ยะะธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยหลักการคือภาพรวมจะเรียกว่าเป้าหมายสูงสุดก็ได้นะะเราต้องไม่ ขอโทษภาษาอังกฤษใช้คำว่า never lose sight of the goal คืออย่า